ا ل س ا ع ل ا ل ل ه ا ل ل ه اللهم ن ا ل ش و ا ن ا ل ر ج ي م بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله م ص ل و س ل م على ن ب ي ن ا محمد وعلى آله وصحبه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 ر ับบั ل ิ ن ر ر ا าละม لنا และทรรพณสเอนทง้วนีเรา้อยู่รับคร้วนี้เราับาเ่อที่ ได้มารวมกันอ่านพิจารณาตบรอัลกุรอานอัลกิมกคันนะครับจากส ورة ซาบเตอายที่นะครับเป็นต้นไป أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <ت ص في ق> وقال الذين كفروا هل ندلكم على อัฟต์ร่า على Elena فال ل ذ ي ن لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يَرَوْا إ ِ ل ى م ا ب ي ن ดี عليهم كسف من السماء إن <ت ص> في ذلك لآية لكل عبد แล้วเรา ن ด ا ให้ดาวิดรั ج ความเม ب ตาจากเราย่าภูเขาจะร้องไห้ وأَلَنَّ ا لَهُ الْحَدِيدَ أ َ ن ْ ي َ ع ْ م َ ل ْ س َ ا ب ِ غ َ ا ت ٍ وَقَدْرٍ فِي السَّرْدِ واعملوا صالحا إني وا بما تعملون بصير <ت ص في ق> الحمد لله سورة س, س دمنا المتن ตอนที่สามวันนี้นะครับอายัดที่เจ็ดสืบเนื่องจากที่ผ่านมาในตอนต้นของสซลล์อัลลอฮ์ س ب า ا ن ه ะ ت ع ا ل ได้นำเสนออายัตต่างๆที่เรียกร้อง ไอพวกมุสลิศรัทธาต่อวันอัคราแต่ว่ามีกี่คนที่ศรัทธาแน่นอนว่าน้อยเหลือเกินจากบรรดาผู้ที่ได้ทำเรี่บร้างกับ Allah ะ ل و ا, ا, ا, ا ل ذ ي ن س ع و ف ي آ ي ا ت ن ا م ع ا ز ي ن أولئك لهم عذاب นิริจสินอลีคนที่ไม่เชื่อฟังอายะห์ของ a l l แล้วยังไปเป็นตัวกีดขวางเป็นอุปสรรคไม่ให้คนอื่นได้ฟังอายะห์ของ a l าลาด้วยคนเหล่านี้จะต้องอยู่ในการลงโทษวัละยารวิลยแะในขณะที่คนที่ศรัทธาก็คือคนที่สแสวงหาความรู้นอกจากจะไม่ศรัทธาแล้ว ยังมีท่าทีและพฤติกรรมที่น่าอดสูอีกระการหนึ่งก็คือการเยาะเยะ้ยการเหยยดยามท่านนาบีสุลลอละห์อัลอฮสัลลัอลมอันนี้เขาเรียกว่าความผิดทวีคูณดับเบลิลเข้าไปอีกไม่เชื่อไม่เท่าไหร่ตัวเองไม่เชื่อแล้วไปขวางคนอื่นไม่ให้เชื่อ แล้วอันที่สามเยอะเยยเสียงผมจะต้องเยอะเยยแล้วก็เหยียดยามท่านนบีสุลต่าละฮะละฮะสันลมปกติใช้เสียงแับนเสียงดีอ๋อไม่เป็นไรเสียงีไม่เป็นไร وقال الذين كفروا บรรดาผู้อ like ัลลอฮนะกะฟารูบรรดาผู <c oughs> ้ปฏ <internacional> ิเสธศรัทธาได้กล่าวเยาะเย้ว่าย่งไรฮัลนัดลลุคุม على رجل يننبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي ل ق جديد นี่เป็นคำพูดเยาะเย้ยเยาะเย้ยอย่างไงตัวเองไม่เชื่อแต่ไปพูดกับคนอื่นว่าเอาไหม ฉันจะบอกเจ้าฉันจะทำให้เจ้ารู้จักจะแนะนำเจ้าให้เจ้ารู้จักมีผู้ชายคนหนึ่งเที่ยมาบอกกับพวกเราว่าโอ้ยตอนที่เราตายไปแล้วชิ้นส่วนร่างกายของเราเนี่ยกระจุยกระจายไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพูดด้วยความเชือ่อว่าพูดด้วยความไม่เชื่อพูดด้วยความไม่เชื่อแต่พูดเพื่อความสนุก พูดเพื่อความขบขันไอ้พูดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรคนผู้ชายที่คนเหล่านี้หมายถึงก็คือท่านบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมลอียาุบิลลลฮาวะลกตอิลลาบิลลพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะในยุคสมัยสมัยนู้นทุกวันนี้ก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้เยอะแยะนะครับลาฮาวะลากัตอิลลาบิลละ อินนกุมลาฟี خلق ินจดีมันเป็นไปได้อย่างไรที่ร่างกายของเราเวลาที่มันแตกสลายกระดูกของเราเป็นผุยผงไปแล้วเราจะเกิดขึ้นมามีชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรคนที่พูดแบบนี้เนี่ยสแสดงว่าต้องมีปัญหายเยอะเย้ยะยังอยู่ในหมวดเยอะเย้ยอยู่คนปกติทั่วไปเขาไม่พูดกันแบบนี้หรอก มีแต่คนที่สติไม่สมประกอบเท่านั้นมันมีอยู่สองกรณีเนี่ยพวกนี้ตั้งสมมติฐานกับท่านนาบีสลุสลต่าสองสองกรณีอัฟตะอะลลอฮิาิบกรณีที่หนึ่งท่านนาบีเนี่ยมากล่าวอ้างปั้นความเท็จให้แก่ Allah อย่างนั้นหรือมาอ้างล l l a AH แล้วบอกว่ามีวันอัคคีรอหโอโห้นี่เป็นคดีหนักเลยนะอ้างอัลลอฮ์ทำไมต้องต้องใช้คําว่าอัฟต์ตาระอลัลลอฮเพราะมุชริกินเองก็งมีความเชื่อเกี่ยวกับอัลลอฮ์แต่เชื่อไม่หมดเชื่อบางส่วนเชื่อบางมุมไม่ได้เชื่อทุกส่วนไม่ได้เชื่อทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยอ้างว่าเฮ้ยมุฮัมมัดเนี่ยโกหก โดยใช้อัลลอฮ์เป็นข้ออ้างหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ข้อนี้ก็เป็นสมมติฐานข้อที่สองอัมบีฮ์จิน้าเขาไม่ได้เป็นสมมติฐานข้อแรกนี่ไม่ถูกต้องเอิมมานยักูนัดตะมดลอิสติร่าอัลลอฮิถ้าล่าอันห์ห์คัดอูฮาอิลัย์ฮิ ذلك ทำธรรมบัตรนี้ถ้าสมมติว่าสมมติติฐานขอา้อแรก Allah ตาละให้ว่าอยู่กับเขาแล้วธรรมบัดก็มาอ้านถ้ามันไม่เป็นจริงก็เป็นสมมติติฐานข้อที่สอออันาไม่ทนแต่ที่พูดออกมาเนี่ยเพราะว่าผู้ชายคนนี้เสียสติไปแล้ว เสียสติสัมปชัญญะก็เลยพูดเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวมีนรกเดี๋ยวมีสวรรค์เป็นการใส่ใครว่าท่านนาบีนั้นเป็นผู้ที่ไม่สมประกอบวัลอยยาบิลละให้เป็นดาริกทำไมพวกเขาไม่มีสมมติฐานข้อที่สามบ้างทำไมมีแค่สอบข้อ ทำไมไม่มีสมมติฐานซึ่งมันเป็นสมมติฐานที่ถูกต้องนั่นก็คือท่านนบีนั้นได้รับวะยูจริงๆจากอัลลอฮ์ไม่ได้อ้างอัลลอฮ์ไม่ได้โกโหกเอาอัลลอฮ์มาอ้างและท่านนบาีก็ไม่ได้เป็นคนที่เสียสติหรือไม่มีสติสัพปัญญาแต่อย่างดใดแต่คนพวกนี้พยายามนะครับที่จะกล่าวหาด้วยการเยาะเยะ้เยเอียดยามท่านนบีสุลตัลสลามด้วยสองอย่างนี้ Allahul Bilaal بل الذين لا يؤمنون بالآخرة ا ل عذاب แน่ น, น, นอนหาไม่ได้บรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิีรันนั้นพวกเขาจะต้องอยู่ในการลงโทษในวันอาคิีรันจะต้องรับโทษจ า, ดดลาลก Allah والظلال البعيد لا يُنِيكَ ا ل ل ลงทางอันไกลโพนไกลลิธไกลสองอยามเนี่ย ในต تفسير บางท่านพูดว่าฟิลอาซาบอยู่ในการลงโทษเนี่ยก็คือในวันอาคิราส่วนการหลงผิดเนี่ยก็คือในโลกดุนยาอัลบูดูอานิลฮักีฟิดดุ尼亚ในลงในดุ尼亚เนี่ยชีวิตไม่เจอกับเส้นทางที่ถูกต้องพอถึงวันอาคิรา ก็จะต้องอยู่ในการลงโทษจ า, า, าก Allah سبحانه ะ ا ل ى เอวลัยรับิลลัห์อิมัตลิเพราะฉะนั้นอย่าได้เป็นเหมือนกับบรรดาคนที่หลงทางเหล่านี้จะทำยังไงไม่ให้หลงทางให้ลองพิจารณาทางออกที่จะทำให้เรานั้นไม่หลงทางจากความคิดแบบนี้นั่นก็คือการกลับไปสู่ การพิจารณาสิ่งรอบตัวแล้วแต่เาเรียกร้องคนเหล่านี้ให้กลับมาดูสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวพวกเขาอาฟัลม์ะเรูอีลามาไบเนอดีหฮิวมวมะขัลฟัมนินาเซมาอีวัลอัคนเหล่านี้ไม่เห็นดอกหรือสิ่งที่อยู่ตาหน้าพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาไม <c oughs> ่ว่าจะเป็นท้องฟ้าและก็แผ่นดิน อันนี้คือการเรียบร้องให้กลับมาดูคนที่ไม่เชื่อตะวันอาคอรย์เนี่ยพวกเราคิดว่าเราลองใช้ความอะไรนะการความเข้าตามความเข้าใจของเราคนที่ไม่ยอมเชื่อวันอาคอรย์เนี่ยสาเหตุเพราะอะไรถ้าคนคนหนึ่งจะไม่เชื่อว่ามีโลกหน้าเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุ ทำให้เรามีเหมือนปมอยู่ในหัวเอ้ยมันเชื่ อ, อยากแล้วเกิดว่าจะมีอีกโลกนึงก่งข้างหน้าเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุพวกนั้นหรือว่าเรานึกไม่ออกเพราะอัลฮัมเดลลาเราทุกคนเชื่อว่ามีโลกหน้าลองจินตนาการถึงคนที่ไม่ยอมเชื่อเนี่ยเขามีปัญหาอะไรถึงไม่ยอมเชื่อว่ามีโลกหน้าเอาลองวิเคราะห์ดูหนึ่งเพราะโลกนี้มันปิดบังอยู่ใช่หรือเปล่า ออะโกนี้มันสวยอยู่แล้วจะไปโลกหน้าทําไมโลกนี้มันปิกบังอยู่เพราะเมื่ อ, อไรก็ตามที่เชื่อโลกหน้าน่ชีวิตมันต้องเปลี่ยนไปแล้วนะมันจะสนุกสนานคนที่มีอะเคโลกับคนที่ไม่มีอะเคโลกันเนี่ยความสนุกมันไม่เหมือนกันไอคนที่ไม่มีอเะเคโลกที่เขาจะทำอะไรได้บ้างในโลกนี้นี่เขาจะทาอะไรอยากจะทำอะไรทาได้หมดเลยแต่คนที่มีอะเคะลกถามว่าจะทาอะไรได้บ้าง เวลาอยากจะไปทำเฮ้ยไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขานระ้เดี๋ยวอัลลอฮฺละาลาฮ์ลงโทษอย่างนู้นมันสนุกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยากไปอาคเครอปเนี่ยเขากลัวว่าสิ่งที่เขาสนุกอยู่สิ่งที่เขามีความสุขอยู่ตอนนี้มันจะมาลายหายไปไม่ต้องคิดถึงอคัคเครอปแล้วอยู่แบบเหมือนที่ตัวเองอยู่ทุกวันนี้แหละ อยากจะมีอํานาจอยากจะมีเงินอยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าดุนยาสามารถจะให้กับตัวเองได้แล้วไม่จําเป็นต้องมีวันอะคีรอห์ไปวลัยาดุเบลล่าหรืออาจจะเป็นเพราะวา่ากัฟละกัฟละนี่หมายถึงไม่ยอมใช้ความคิดไม่ยอมแสวงหางความรู้ ไม่ยอมที่จะเอาตัวเองไปแสวงหาความถูกต้องมันไม่เหมือนกันระหว่างคนที่อยากเจะหาความถูกต้องกับคนที่ใช้ชีวิตยังไงทุกวันไปก็ได้คนที่อยากจะแสวงหาความถูกต้องเนี่ยยังไงยังไงเขาก็จะต้องเจอกับสัจธรรมความจริงว่าวันอาคราร์ต้องมีหลายคนต่างศาสนาที่รับอิสลามทาไมอยู่ดีๆก็รับอิสลามหรอ หรือว่ามีปมคําถามในใจอะไรบางอย่างที่มันติดติดติดติดติ ด, ต ด, ตดแล้วสุดท้ายมาเจอคําตอบในมาเจอคําตอบในวิญญาณของพระเจ้า سبحانه และ تعالى มาเจอคําตอบในคําสอนของท่านนาบีสุลต่านละแล้วคนที่ไม่เจอล่ะคนที่ไม่เจอก็คือคนที่ไม่มีการแสวงหาไม่ยอมแสวงหาอายัดนี้เนี่ยองค์ต่างต้องการให้มนุษย์แสวงหาคําตอบ อย่าปล่อยให้สติปัญญาที่เป็นเนหมัดใหญ่หลวงเจาลัตต์อลาประทานให้กับมนุษย์เนี่ยอยู่เฉยๆไม่ทํางานใครที่ไม่ใช้สติปัญญาในการไตร่ครวงความยิ่งใหญ่ก็เอาล่องสุภาเนาะจะอะไรสักวันหนึ่งเราจะไลาส่สอบถามว่าให้ปัญญาไปแล้วทําไปถึงไม่ใช่แล้วมาบอกว่าวันอัครยรักษ์ไม่มีก่อนที่จะบอกว่าวันอัครยรักษ์ไม่มีเนี่ยคุณใช้ปัญญาก่อนหรือยัง ก่อนที่จะพูดว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ก่อนถอยหลังนะิดนแล้วใช้ปัญญาไตรตรองไปพร้อมๆกันกับที่องค์ต่าลาต้องการบอกเราก่อนได้ไหมองค์ต่างๆบอกว่าดูสิอฟัฟแลมยะเราอิลามาเบยนไอดีหิมอะไรที่อยู่ตอนหน้าเราท้องฟ้าแั่นดินหลออตบตั้งแต่สิ่งที่อย่างนี้ออกจากบ้านเมื่อกี้แค่เงยหนะ้าขึ้นมองท้องฟ้าเห็นก้อนเมฆ รูปแบบต่ตางตนานาเนี่ยคุณไม่รู้สึกอะไรเลยหรือ อ, อกจากบ้านปุ๊บเห็นต้นหญ้าหน้าบ้านนั่นเป็นสีเหลืองนั่นเป็นสีเขียวนั่นเป็นหนามนั่นเป็นใบตรงๆนั่นเป็นใบหยักๆทาไมไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเองได้ยังไงแล้วมันสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ข อ, องโลกสุภานเนวตระลามากมายแค่ไหนขนาดในตัวเราก็ยังมีเรื่องราวต่างๆที่ควรจะต้องพิจารณาทําไมถึงไม่คิด สุดพระนามเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเยียวยาความคิดแบบมุชริกีสิ่งที่จะกระจัดมานเซ็ตแบบพวกที่ไม่ยอมศรัทธ า, าต่อลอซาตอลก็คือการใช้สติปัญญาใคร้ควรมาลูกของ l l a h s u รบูบี์ขอ Allah อันนี้คือ นวิธีการที่าลาตาลาบอกไว้ณนตรงนี้ ah อินชนัซิฟ i h i m u l อันนี้แอดวานเข้าไปอีกนอกจากจะดูเฉยๆแล้วเนี่ยดูชีวิตปกติของมรรคทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยังยังมีกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์อ่ะอย่างเช่นภัยพิบัติธรรมชาติ a l l ล h ตรลสเอ า, อาบวว่าอินเนชนักซิฟ ถ้าเราต้องการเนี่ยเราจะให้แผ่นดินเนี่ยดูดพวกเขาไปอัลกอสซหมายถึงแผ่นดินสู่ธรณีสู่เป็นการยกกรณีตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้มนุษย์เนี่ยเกิดภัยพิบัติต่างๆพระองค์ทำได้ไหมเหมือนที่เราเห็น <Okay. S 2> เวลาที่พี่น้องเห็นไหมล่าสุด เห็นไหมครับว่าเราสุภานาวเราแต่เราสามารถที่จะทําให้โลกนี้เจอกับภัยพิบัติต่างๆตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงทุกวันนี้ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นบางครั้งไม่ใช่บางครั้งน่ยส่วนใหญ่จะเกินความสามารถที่เราจะไปทัดทานมันไห้เราทําได้ไหมไม่อยา่าอย่าเกิดเราสามารถจะทำได้ก็คือมันเกิดแล้วแล้วก็เข้าไปแก้ไขเข้าไปช่วยเหลือแต่ถ้าว่า จะบอกว่าอย่าให้เกิดอย่าให้เกิดนะเอามือไปปกป้องแบบนี้ไมมไม่ให้ทำได้หรือเปล่าสุดท้านัลลความพยายามของมนุษย์ตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนเทคโนโลยีเจริญมากแค่ไหนก็ยังไม่สามารถจะต่อสู้กับอำนาจนของ Allah Subhanahu w เวลาที่พระองค์บอกว่าจะทำให้มีแผ่นดินสูบจะทำให้มีน้ำท่วมจะทำให้มีไฟไหม้จะทาให้มีแผ่นดินไหวจะทาให้มีโรคระบาด ทำไมเราถึงไม่ย้อมกลับมาคิดทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติต่างๆทําไมมนุษย์ไม่ยอมคิดว่าภัยพิบัติเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เพราะอํานาจที่อัลลอฮฺสุลตานตอฺได้กําหนดเอาไว้แล้วสองอย่างนะละตาละยกตัวอย่างสองอย่างกรณีที่เราไม่สามารถจะจัดการอะไรได้เลยหนึ่งกรณีที่แผ่นดินสู่สองกรณีที่ละตาละจะส่งกิเซฟามินัสะมะ أو نسقت عليهم كسف من السماء รืับทีเราจะให้มีเศษต่างๆจากท้องฟ้าเนี่ยหล่นลงมาใส่หัวของพวกเขาอินน์ฟี ذلك ล, ละ آيات اللي كلها بدموني สาระสำคัญของอายัดนี้ก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นเครื่องหมายตักเตือนสำหรับบ่าวที่เข้าหาอัลลอฮ์เห็นไหมครับ ถ้าเราไม่มีอัลลอ์เราเห็นความยิ่งใหญ่อะไรต่างๆนานานในโลกดุญญนี้ก็ไม่เกิดผลคนที่จะเข้าใจดูท้องฟ้าดูแผ่นดินดูภัยพิบัติต่างๆดูเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนี้คนที่จะเข้าใจและได้รับประโยชน์ก็คือคนที่นึกถึงอัลลอ์คนที่มีอัลลอ์คนที่ศรัทธ า, าต่ออัลล์สุบานออฮ์ในตัฟซีนเนีมีคาพูดสวยงามมาก เาอันรกเลยนะครับของอิมานุค ثير อิมานุค ثير เนี่ยอับดุพขดข้องซุฟยาน وقالا سفّيان عن قتادة جَتْمَ قتادة الْمُنِّي الْمُقْبِل إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِكُلِّ أَبْدَمْ مُنِّي سَمْرَبْ بَاؤِ تِي ك َ و ْ ه َ ى اللَّهِ ن า م َ ا ي ْ ت ُ ن ْ ق َ ل َ ة َ الْمُنِّي الْمُقْبِل إ َ ى اللَّهِ ت َ إ ك ث ي ر ع ت ب ا ن ف ي ا ل ن ظ ر إ ل ى خ ل ق ا ل س م ا و ا ت ل د ل ا ل ة و ل د ل ا ل ة ل ك ل ع ب د ف ض ل ب ي ب ر ج ا ع إ ل ى ا ل ل ه ع ل ى ق د ر ة ا ل ل ه ت ع ا ل ى ع ل ى ب ع ث ا ل أ ج س ا د و و ق و ع ا ل ب ع ا د ل أ ن م ن ق د ر ع ل ى خ ل ق ه ذ ه ا ل س م ا و ا ت ف ي ا ر ت ف ا ع ه ه و ا و س ا ل ه ا ว่ ذ ที่ الأرض ีนฟิฟนั้นขีดท م าและอัตราของเธอว่าการที années, oh Menschen, ่เราพิจารณาการสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินจะเป็นเครื่องหมายหรือจะเป็นสิ่งเกินใจให้กับใครให้กับบ่าวที่มีสติปัญญา เบาที่มีสติปัญญาและก็กลับไปหาอัลลอฮ์เป็นสัญญาณว่ายัางไงสอนเขาเตือนใจเขาว่าอย่างไงเตือนใจให้เขารู้ว่าอัลลอฮ์ตะลานั้นมีความสามารถมรีกุดรศลมีความสามารถที่จะทําให้ชีวิตตึงตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ไนดะ้เพราะถ้าพระองค์สามารถสร้างท้องฟ้าที่มันเกินจินตนาการของเราได้ขนาดนี้แล้วนับภาษาอะไรกับร่างกายเล็กๆของเราเวลาที่พระองค์จะสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง สุบฮานัลลอฮฺอันนี้อันนี้ต้องบอกต้องยอมรับเลยนะครับว่าเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆอุบัติภัยต่างๆเหตุการณ์ต่า ง, า ง, างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดในโลกดุ น, ยนียนี้ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเราใช้สติปัญญาใคล้ครนจริงๆมันจะไม่พาไปไหนเลยมันจะต้องพากลับไปหาการยอมรับในกุณพระของะสุบฮานะัตะอเท่านั้น มันอยู่ที่ว่าเราจะคิดหรือเปล่าแค่นั้นเองละฮา ล, าลาาัลัลลวฮบตะอิลลาเลลาห์เพราะฉะนั้นสุบฮานัลลอฮนะํทอยังไงให้เราเข้าถึงข้อที่จริงนี้เป็นเป็นข้อที่จริงที่ทุกคนสามารถจะเข้าถึงได้เพราะว่าท้องฟ้าอยู่ตอนหน้าเราทุกคนอย่าปล่อยให้หลักฐานต่างๆที่อยู่ตอนหน้าเราเยอะแยะมากมายแต่เราเหมือนกับมองไม่เห็นอะไรเลย เรายึดติดอยู่กับบางจุดบางมุมของโลกดุนยานี้ดุนยานี้สำหรับเราคือที่สุดแล้วทำไมไม่ทำให้ดุนยานี้พาเราไปสู่อาคิระห์เป็นไปได้ไหมที่เราจะดูเนียและทำให้เรานึกถึงอาคิีรอห์ทำยังไงดีดูการสร้างของรัุบาลต่างๆนี้อย่าชมช็อป ความงามที่เราเห็นในโลกดุนียาในมิติของคนที่อาศัยอยู่โลกดุนียาอย่างเดียวแต่จะทำยังไงให้การที่เราดูความยิ่งใหญ่ความสวยงามทั้งหมดนี้ความอลังการทั้งหมดนี้เป็นบทเรียนพาเรากลับไปสู่อะเคโรอยู่ในโลกดุนียาแต่ต้องการที่จะไปสู่อะเครรทำได้ไหมทีนี้วิธีการ ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมันจะยากไปหรือเปล่าเพราะว่า ส, สุดท้ายเนี่ยคนเราก็จะถึงแต่สิ่งที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวอาร์เคโรในเราไม่เห็นก็เลยมันไปยากเลวเกิดอะไรต่ออะไจริงหลังจากนี้ต่อไปนะครับเราจะจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างบ่าวที่มีอำนาจ เยอะมากในโลกดุนยานี้แต่เขาไม่ทิ้งอาครากับคนอีกกลุ่มหนึ่งมีอำ น, นาจในโลกดุนยาเหมือนกันแต่ไม่เอาอาคราสองกลุ่มนี้จะเกิดอะไรขึ้นตัวอย่างที่หนึ่งเราจะอัทยกตัวอย่างนาบีดาวิดอะลัยฮสสลามกับนบีสุลัยมาน สองคนนบีสองคนที่มีอำนาจล้นดุเนยียแต่อำนาจที่พวกเขามีล้นดุเนียไม่ทำให้เขาทิ้งอคัคราเข้าใจไหมครับพวกเราเนี่ยพอเรามีอำนาจนิดหนึ่งบางทีไม่เอาแล้วอคัครามีอำนาจในดุเนียสักนิดหนึ่งมีตำแหน่งมีเงินมีริสกีใหญ่โตหน่อยนั้นทิ้งอคัคราแล้วขอแค่ดุเนยีย มาดูมาดูตัวอย่างที่เลาแต่ลาจะยกหลังจากนี้ในขณะคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจในดุนยาเหมือนกันแต่ไม่เอาอาเคระนั่นก็คือพวกซาบะซึ่งจะเป็นเรื่องราวหลังจากที่ท่านาได้พูดถึงดาวูดและสุไลมานไปแล้วก็จะพูดถึงซาบะต่อเป็นสอตัวอย่างมาดูกันคนแรกนบีดาวูดอะลัยฮสสลาม ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد แท <t> ้จ <ula> ริงแล้วเราได้ประทานความโปรดปรานของเราให้กับดาวูดสุบฮานะลอใครเคยอ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ของนบีดาวูดบ้างครับ เป็นน บ, บีคนสําคัญที่บันีึอิสอราเอลเอามาเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพวกเขาเลยธงชาติของอิสอราเอลเป็นธงชาติอะไรมีรูปอะไรอยู่บนธงชาติฮะสามเหลี่ยมเหรอรูปอะไรนะเขาเรียกว่าดาวอะไรรู้ไหมดาวดาวเดวิด ดาวูดก็คือภาษาฝรัง่งก็ยังไงดาวูดเอาไม่รู้ที่หรอดาวูดในภาษาอังกฤษในภาษาฝรั่งก็คือเดวิดเอาดาวของนบีดาวเอาสั ญ, ญลักษณ์ของบีดาวูดม า, าในใส่ในสัญลักษณ์ของพวกเขาเพราะว่าเรื่องราวของนบีดาวูดนี้น่าสนใจเริ่มต้นมาไม่ได้เป็นกษัตริย์ เริ่มต้นมาเป็นเพียงแค่เด็กตัวเล็กๆที่ไปฆ่าโกไลแอนดาลูดาลูดนี่โกไลแอน์โกไลแอนดใช่มโอ้เนีต้องไปต้องไปอะไรนะมันมีกระตูดมันมีหนังสือที่ขายอยู่ตามร้านหนังสือที่มีเรื่องราวของเดวิดไปฆ่ายักษ์จาลูดเนี่ยรูปร่างใหญ่โตในขณะที่น บ, บิดดาวุฒเนี่ยตัวเล็กๆลกแล้วก็เอาอะไรนะเรียกว่า ไอดังสติกดังสติกอะ่ะดังติกไม่รู้ดังสติกสมัยโบราณเป็นยังไงนะแต่ข้าโกไลแอบหรือว่ า, ข, าข้าจาลูดเนี่ยด้วยกับดังสติกจึงได้รับการยกย่องให้เป็นกษัตริย์หลังจากนั้นสองอย่างที่เอเลตาลาพูดถึงอำนาจหรือความโดดเด่นของดาวูดในอายัดนี้อันที่หนึ่งอวีบีมาฮู ยาภิบาลอวีมาห์ว์และที่รักเลยดาวูดเป็นผู้ที่เสียงเพราะมากเวลาที่ละหมาดเวลาที่จิกเกรตอหลเวลาที่อ่านคำพีซาบูรซาบูรนี่เป็นพีที่อัลลอฮฺประทานให้กับนาบิดาวดเนี่ยเสียงก้องก้องวานไพเราะเพราะพริ้งทุกอย่างรอบตัวจะนิ่งงวดแม้กระทั่งสิ่งไม่มีชีวิต ในสายตาของเราเนี่ยอย่างเช่นุกเขาเหล่ากาต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยจะนิ่งฟังการอ่านของดาวูดบรรดา น, นกต่างๆสัตว์ต่างๆจะมาตัสเสวไปพร้อมๆกันด้วยความที่ไพเราะเพราะพริง้งอุลามะบางคนบอกว่าลำคอของดาวูดเนี่ยเหมือนกับมีปีหรือมีกลุยอยู่เจ็ดลำเจ็ดอะัะด้วยความไพเราะ สุบพ้านั่นแหลเสียงเนี่ยมันมหาศาลนะคนที่มีเสียงเพราะๆ เ, เนี่ยเอ้ยมันทําได้อย่างไงเวลาที่เราสมมุติน่ะจะบอกว่าเสียงเนี่ยแต่ละคนแต่ละแต่ละให้ไม่เหมือนกันพวกนักกรองทั้งหลายแหละเห็นไหมบางคนเป็นนักกรองอันนี้อันนี้แค่ยกตัวอย่างให้เห็นหรือเอาเอาอันนี้ดีกว่ายกตัวอย่างกับนักกอรีก็แล้วกันนักกอรีอิมาเมอิมาแมกกะอิมา ม, มาดีน่าแต่ละคนเสียงไม่เหมือนกัน งคนเนี่ยฟังแล้วขนลุกสู้เอามาจากไหนนั่นแหละในจานวนซาฮบของท่านนาบีลอัลสลามมีซาฮับอยู่คนหนึ่งที่อ่านอกุรอานเสียงเพราะมากจนกระทั่งท่านนาบีสลอัลลมพูดกับเขาว่าเจ้าเนี่ยมีคุยของนบีดาวูดพวกเรารู้จักไหมซาฮับันนี้ใช่ อ, อะไรอะอบูมูซาอัลรี อบูมูซาอัลอาชาอรีครั้งหนึ่งท่านน บ, บีเดินผ่านแล้วก็ได้ยินบอบูมูซาอัลอชอรีเนี่ยอ่านอัลกุรอานอยู่ก็เลยหยุดฟังแล้วก็พูดกับอับูมูซาว่าเจ้าเนี่ยเหมือนกับมีคลุยมีปีของดาวดอะ ล, ลิสลเพราะว่าท่านน บ, บีดาวุฒอะลาอลิสซาลให้พลังเสียงของท่านเป็นพลังที่ฟังไพเราะแล้วก็ก้องตองวานจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายสิ่งต่างๆทั้ ง, งหลาย ต้องสะดูดีต้องตัดแหกไปพร้อมๆกับการระงมนะเสียงระงมไปพร้อมๆกับการตัดแหของท่านนบีาวุธอะลัยลมอัลลอฮุอะลัมไออะไรนะพวกชาวคัมภีร์เนี่ยบางทีเขาอาจจะเอาอาจจะเอาตรงเนี้ยไปเลียนแบบใช่ไหมโบสของของเขาเนี่ยเาจะทำโบสแล้วก็มีเสียงตองวานอะไรของเขาเนี่ยอาจจะเอามาจากอ่าอะไรนะ การกล่าวทัสเบกของนบีดาวิดการอ่าบูตรอนบีดาวดก็ได้อัลลานะจะบอกว่านั่นแหละนะครับอวิบีมะฮูอัตต์รยาจีบาลอวิบีมะฮูอัตต์รให้ท้องให้อไรนะพูกเขาเรล่ากาให้นกทั้งหมดทั้งปวงกล่าวทัสเบกไปพร้อมกับท่านส่วนอันที่สองสิ่งที่นบีดาวิดมีก็คือวะอัลันนาลลฮดีด ใน تفسير นักที่เนี่ยมีพูดถึงประเด็นนี้ที่บอกว่าสัมผัสเสียงที่ารู้ว่ารู้ว่ารู้วัารูู้้ว่ว่าราว่ารู้วูาูารารีรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่ารรู้ว่ารู้ว่าว่ารู้ว่ารู้ารู้ว่ารารู้ว่ารู้ารู้ว่ารู้วู้ว่ารารารู้วาราราาูวรา้า้ เหล็กเหล็กเนี่ยนุ่มสาหรับดาวุดสามารถที่จะปั้นเหล็กได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้คอนเวลาที่อยู่ในมือเนี่ยเหมือนกับแป้งขนมปังอะ่ะจะเอามาปั้นแบบไหนก็ได้สุภาพนั่นหละมีอำนาจอำนาจฝั่งแรกเป็นอำนาจในเรื่องของอาเคาียบะในเรื่องของตัเวสส่วนอำนาจอันที่สองเป็นอานาจในเรื่องของดุเนีย เหล็กเนี่ยเป็นตัวแทนของดุนยาเป็นตัวแทนของอำนาจจะสร้างดาบก็ได้จะสร้างอุปกรณ์จะสร้างอาวุธก็ได้โดยที่ดาวุฒไม่ต้องไปเป่าไฟแต่เอามาปั้นแล้วก็ทำไม้หมดเลยมีเรื่องเล่า ว, ว่าอ่นี่ a l a h ตละลาก็สั่งนะ Allah ตละลาสั่งดาวุฒว่านิับรัตนัวัดรฟิัซัร์ดในเมื่อเจ้ามีพลังอำนาจที่เราให้เจ้ามาในดุนยาในในการ ปั้นเหล็กอะไรได้เนี่ยเอาความสามารถนี้ไปสร้างชุดเก ร, ราะสั่งให้ดาวุี่ไปสร้างชุดเกราะว่ากระดิ่งเฟสชัดแล้วก็ทําให้มันประณีตละเอียดที่สุดชุดเกราะสมัยโบราณเนี่ยว่ากันว่าเนในตำเสดบอกว่าในสมัยก่อนที่ท่านนบีดาวุฒจะสร้างเสื้อเกราะเนี่ยมันจะหนักมากเวลาทหารใส่เสื้อเกราะแล้วมันจะเดินไม่ไหว คนแรกที่ทําเสื้อเกราะแบบเป็นห่วงอย่างนี้ก็คือดาวูดอะลัยฮิสซลามลดน้ําหนักของเสื้อเกราะลงและสามารถป้องกันลูกธนูป้องกันหอกได้ดีเป็นการสอนจออากอัลกตาอัลาให้ท่านนาบีดาวูดเป็นคนสร้างในรายงานยังมีบอกว่านบีดาวูดอะลัยฮิสซลามเนี่ยทำเสื้อเกราะเป็นอาชีพ ในการหาเลี้ยงชีพวะลาหอัลัมรืวายตนี้นะครับไม่รู้ว่าสายรายงานจะจะเป็นยังไงแต่ว่าในอิมุกัซีรเนี่ยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเป็นอันวะฮับอิบนุนบ์เรื่องมีว่า นบีดาวุฒเนี่ยชอบที่จะปลอมตัวออกไปเดินตาหมู่บ้านปลอมตัวไปทไมรรจุลฟกอาฟลายลอดนอิลลาอันยครัน ع ب ي ه و ع ي السلام ถึงแม้ท่านจะบอกามรจุลบีดาวิชปลตัวออกไปเพื่อไปถามว่า ไปถามชาวบ้านว่ามีความเห็นอย่างไรกับกษัตริย์ของตัวเองก็คือดาวูดเองคือไปถามว่าชาวบ้านเนี่คิดยังไงกับกับดาวูดโดยที่ชาวบ้านไม่รู้ว่าคนถามก็คือนบีดาวูดอยู่แล้วเพราะาปลอมตัวไปปรากฏว่าชาวบ้านก็ตอบดีหมดทั้งที่ไม่รู้ว่าคนนี้คือเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยบริหารจัด ก, การยังไงมชาชนใจ Allah ต้องการว่าตัวเองยุติธรรมต้องการถามว่าตัวเองยุติธรรมไหมปกครองเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าประชาชนตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดว่านาบีดาวุฒเป็นคนดีเป็นคนที่ยุติธรรมในการบริหารจัดการจนกระทั่งละตะลาส่งมาละอิ ก, กัสมาคนหนึ่งให้แปลงกายมาเป็นผู้ชายแล้วนบีดาวุฒก็ไปเจอไปเจอมาละอิ ก, กัสคนนี้ในรูปของมนุษย์ก็ไปถามคํถาถามเดิม ว่าเจ้าคิดเห็นยังไงกับดาวด์ฟลักี้ดูฟลักี้ฮูดาวด์ฟถามถามถามถามถามคนอื่นมาละอ้กัตที่แปลงกายมาเป็นมนุษย์ก็ตอบว่าโอนบิดาวุฒเป็นคนที่ดีมากทั้งต่อทั้งในเรื่องของอิบาดัตสาหรับตัวเองทั้งในเรื่องการดูแลคนอื่น อ l ลลั์อันในฟิหิขั้แต่ว่าดาวุดเนี่ยมีนิสัยหนึ่งถ้าสมมุติแก่นิสัยนี้ได้เนี่ยจะเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดเลยสุภา น, นัรอเมเาละส่งมลอิกัดมาสอนดาวุดนะมีนิสัยหนึ่งที่ยังยังไม่สมบูรณ์ถ้าแก่นิสัยนี้ได้จะเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดกอละมาฮียาแล้วมีดาวุดก็ถามว่าอะไระ มล า, า, า, ายครกตบวเขายะกินและจะกินเงิน้ากที่เขาได้มาแต่เขาจะกินเงินเดือนจากบที่เขาไริย์ง ก็จะเอาทรัพย์สินมาจากไหนก็เอาจากคลังของรัฐเพื่อที่จะมากินเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัวถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดแต่มันยังไม่สมบูรณ์สำหรับสุภานัลลอฮ์แลงจากนั far, ้นฟานาศบ์ฟดลิกนาศบ์ดาวูดอะลัยฮิสซาลาม อิลลา ه ับบีอ uh, ัลลอ دعاء أن يعلمه عملا بيده يستغني به ويؤني به عياله แลวอดกเลยขออุอาต่อัลลอฮฺว่าอัลลอฮฺโปรดสอนฉันให้ฉันมีอาชีพให้ฉันมีงานหนึ่งที่ฉันสามารถจะเลี้ยงตัวเองและก็เลี้ยงครอบครัวได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งคลังของรัฐหรือว่าของใบตุลมาฟ้าแล้วนั่นอัลลอฮฺเจมัล له ا ل ح د ي รัตระก็เลยทําให้เหล็กนุ่มสําหรับนบีดาวุฒและสอนท่านนบีดาวุฒนั้นทําอะไรครับทําเสื้อกรอกและเวลาที่ท่านนบีดาวุฒทําเสื้อเกราะเนี่ยการดาวุฒอะลัยสลามย์รฟ้าวฟีคุลลียูมินดิร์เง ทุกวันจะผลิตได้หนึ่งตัวมะชาลลัลเร็วมากปกติเสื้อกรอกี่จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต้กว่าจะใส่ทีละอย่างทีละอย่า ง, างดาวทุทำตัวหนึ่งวันหนึ่ ง, นน ง, นนงตัวหนึ่งวันหนึ่งตัวหนึ่งและหนึ่งตัวเนี่ยฟาบอูฮาบิซิตอลิรหมนึ่งตัวนี่จะขายราคาห0พันดิรหัมได้เงินมา6 0พันดิรหัมปุ๊บอัลไฟนีเลห วลีอัลลีฮีเก็บเงินสพดร a m เอาไว้ใช้กับตัวเองและก็เอาไว้ใช้กับครอบครัวพแบ่งเป็น3ามสอันเก็บกับตัวเองว่ะดร ham ยติเมบิฮบนอิสราเอลขุบเซลฮาวารีส่วนอีกสิบพเนี่ยเอาไปบริจาคซื้ออาหารให้กับบนีอิสราอล ในอีกบางรายงานบอกว่าท่านนาบีดาวุฒแบ่งเป็น3 ส, ส่วนทรัพย์สินของตัวเองนี่แบ่งเป็นสส่วนส่วนหนึ่งเอามากินเองส่วนที่สองบริจาคเลยส่วนที่สเก็บเอาไว้สำรองเก็บเอาไว้สำรองเพื่อเวลาที่มีใครลําบากมีแพรอะไรถึงสถานการณ์ฉุกเฉินก็เอามาบริจาคอีกทีหนึ่งสุภาพรักเพรา ะ, ะฉะนั้นเรื่องราวของนบีดาวุฒินี่น่าสนใจ และผมคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับความคิดของพวกบรรีอิสราเอลลองไปศึกษาชีวประวัติหรือว่าเรื่องราวของประวัตศิศาสตร์บรรดิอิสราเอลนะน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากดาวิดดาวุดเยอะเรื่องการค้าขายเรื่องการให้ความสําคัญกับอาวุธยุโทโธปกรณ์เรื่องการบริหารจัดการการเงินนบวิดาวุดเนี่ยเป็นตัวอย่างทั้งเรื่องการบริหารดุน ي ة และเรื่องการบริหารอาเชรอห์ดูนะอละัอลลอฮฺตรัสให้ดาวุดทุกอย่าง แต่ท่านไม่ลืมอัคระละตั๋ลาบอกว่าอัมาดุซาลิฮันทุกอย่างที่เราให้เจ้าในโลกดุญญนยา this เจ้าเอาไปทาดีให้ดุนยาเนี่ยกลายมาเป็น อ, อัมัลซอ่เลเข้าใจไหมครับใช้ดุนยาทั้งหมดอานาจ ท, ทั้งหมดที่มีเนี่ยให้มันกลายเป็นอามัลซอ่เลยอย่าใช้ดุนยาที่มีไปทาอัมมัลที่ ขอให้เกิดความเสียหายขอให้เกิดความอันนะคนอื่นนี่คือบทเรียนที่เราได้รับรวยมีอำนาจไม่ใช่สิ่งที่ผิดบรรดานาบับีมีที่ร่ำรวยก็มีมีที่ยากจนก็มีนะไม่ได้มีแต่นบียร์ยากจนบางทีเราทุกนึกถึงบรรดานับีบรรดานับีถูกทดสอบแต่ละคนยากจนไม่ใช่นะนบีหลายคนร่ำรวยใครบ้างที่ร่ำรวยอับดบียร์ยูซุฟร่ำรวยเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นบีดาวูดนบีสุไลมานมีอำนาจใหญ่โตแต่ถามว่าความร่ำรวยและอำนาจใหญ่โตของนบีเหล่านี้ไม่ได้มาทำลายดุน ي ة แต่กลับไปใช้เพื่อกลับไปสู่อัคราเราไม่ได้ร่ำรวยถึงแค่นนบีดาวูดเราร่ำรวยนิดๆหน่อยๆก็ไม่เอาแล้วอัคราอ่ะทิ้งแล้วอัคราไม่เอาแล้วเอาจะเอาแต่ดุน ي ة อย่างเดียวแล้วเนี่ยมาดูมาดูตัวอย่างของคนที่มีอำนาจอยู่ในมือแต่อำนาจในมือไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่ได้ใช้เพื่อ อีกข hey, oh, ah, ้อหนึ่งหนวอันในวันอีกอ ah hey, ันอันอีกอัน nah, อันอันอ ah ันอันอันอันอันนอันอันอันอัอนอันันออันออัออนนอนอัอันอันนอัออนออนอันออัออัันนนนนนอนนนน ท่านนับบีพูดถึงสองสามครั้งริสกีที่ดีที่สุดคือริสกีที่มาจากน้ำมือของตัวเองท่านอั บ, บุบียร์สะนัลสลาม บ, บอกว่าเงินที่ดีที่สุดที่เราใช้บ้อนเข้าปากเราอะ่ะก็คือเงินที่มาจากหยาดเหงื่อของเราเองแล้วท่านก็ยกตัวอย่างน บ, บีดาวิดอะไรอัลสลามว่าแคดาวิดยะกุลูมินอาเมลยดฮน บ, บีดาวุดกินหาไรายได้ ที่ใช้ใจ่ายในตัวเองเนี่ยเอามาจากงานที่ตัวเองเสียเงื่อนละบาตที่ดีที่สุดคือะละบาตของนบีดาวูดยังไงนอนก่อนครึ่งคืนแล้วก็ไปเกยียรตอีกครึ่งคืนการถือศีลอดที่ดีที่สุดก็คือการถือศีลอดของนบีดาวูดอ่คิดว่าพันนั่ น, ย, นยังไง ดุนยาก็น บ, บีดาวูดอคีร์ก็น บ, บีดาวูดท่านน บ, บีสุลต์สัลสลัมยกตัวอย่างให้เป็นแรงบันดาลใจน่าศึกษามากการถือศีลอดที่ดีที่สุดก็คือการถือศีลอดของน บ, บีดาวูดสุภาพนั่นหรอถือศีลอดยังไงถือศีลอดหนึ่งวันแล้วก็แก่หนึ่งวันสลับวันถือศีลอดสลับวันอย่างนี้ตลอดทั้งปีม า, าัลล์เพราะฉะนั้นอย่าหลงกับดักดุน ي ة นบีดาวุฒไม่ได้หลงติดอยู่ในดุนยาเลยทั้งๆ ท, ท, ที่อำนาจของท่านล้นเหนือคนทั้งแผ่นดิน <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องราของนบีสุไลมานซึ่งเป็นลูกของนบีดาวุฒินบีสุไลม า, า น, าานาามีอำนาจแค่ไหนแต่อำนาจทั้งหมดที่มีอยู่ในมือไม่ได้ทําให้ท่านหลงลืมอาคีรักเลยแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นดุนยาเล็กๆน้อยๆนอยในชีวิตเราตอนนี้พวกมุสลิมีมีดุนยาแค่ไหนทําไมถึงลืมอาคีรักทาไมถึงไม่เอาอาคีรักเราก็เหมือนกัน มีดุนยาอยู่ในมืออยู่แค่ไหนทำไมดุนยาที่เล็กๆน้อยในมือเราตอนนี้ทำให้เราเฉยชากับอัครราชได้ถึงขนาดนี้ والله ي ا أ ب الله من ذلك والله تعالى ع ل م و ف ق د ا ل ل ه ُ إياكُم مِمَّا يُحِبُّ و ص ل ى ا ل ل ه ع ل ى ن ب ي ن ا م ح م د و ع ل َ ى آ ل ه و ص ح ب ه ِ وَسَلَّمَ س ب ح ا ن ر ب ك ر َ ب ا ل ع ز ة ع م ا ي س ِ ي و ن و ا ل سَلَامٌ عَلَى ا ل ْ م ُ س ا ل ِ م ي ن الْحَمْدُ لِلَ Yeah. Uh -huh.